คำขออุปสมบทพึ่อให้อุปสัมปทาเปขคาหอมอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือขออุปสมบทว่าท่านผู้เจริญข้าพาเจ้าขออุปสมบท ต, ต่อสงทรงโปรดช่วยอนุเคราะห์ยกข้าพาเจ้าขึ้นเถิดท่านผู้เจริญข้าพาเจ้าขออุปสมบท ต, ต่อสงเป็นครั้งที่สองทรงโปรดช่วยอนุเคราะยกข้าพาเจ้าขึ้นเถิด ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นครั้งที่สามทรงโปรดช่วยอนุเคราะห์ยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด